ขอ oh, ความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้เพื่อให้คล้อยตามกาลสมัยที่มาถึงข้าวเนื่องจากวันนี้เป็นวันมาคบบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาดันั้นจัได้นำเอาหลักของโอวาตปาธิโมกซึ่งถือว่าเป็นพระธรรมนูญใน พระพุทธศาสนามากล่าวในที่นี้เป็นที่น่าสังเกตว่าในพระสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าถึงพระพุทธเจ้าในอดีตจากพระวิปัสสีพระสิกขีพระเวสสภูพระโกนาคมประกัตศพมาถึงพระพุทธเจ้าเราจะมีการประชุมพระสาวกพระพุทธเจ้าหนึ่งก็คราวหนึ่งพระองค์หนึ่งก็คราวหนึ่งและในการประชุมแต่ละคราวก็ เป็นเรื่องพิเศษเอย่างที่เราพูดกันว่าอัศจรรย์เราจะมีการแสดงโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกนั้นแสดงเหมือนกันทุกองเลยเรียกว่าเหมือนกันทุกตัวอักษรจึงเป็นที่น่าสังเกตในพระพุทธดรรรัตที่ตรัสพระพุทธเจ้าไม่ใช้คำว่าของพระองค์แต่ทรงใช้คำว่าเอตังบุธานศษาสนัง คือของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแสดงว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนเหมือนกันหรือใช้บาลีเป็นรพระอุป์ไม่ใช่ใช้เป็นเอกพจน์ในโอวาตปาติโมกนี้ ok i, ได้แสดงอะไรแล้วก็ได้ซ่อนอะไรไว้อะไรอย่างด้วยกันเมื่อเรามองกันในแง่ของวิชาการเราจะเห็นว่าก็คืออุดมการณ์แล้วก็หลักการวิธีการ ที่ทรงประทานไว้เป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวซึ่งก็นำมาใช้กันได้ตลอดไปแต่ข้อที่พึงเข้าใจประการหนึ่งก็คือว่าท่านที่ฟังในคราวนั้นเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดเป็นพระาหาหพันสองร้อบองค์อย่างที่ทราบกันแล้วเมื่อฟังเสร็จแล้วพระเจ้าก็ส่งไปเผยแผ่ศาสนาในส่วนต่างๆของชมพูทวีป กานชุดนี้คือชุด 2, 500, 2 1, 250อง0ันห้อนง้างค์นั้นทำงานได้ผลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกลุ่มปรา ก, ากระสาวกหือภาษาอริบุตรกรบพรโมคคันลานะทำงานสืบต่อกันมาจนถึงปีตอนปลายของพุทธสมัยทีเดียวในแง่ของช่วงการเวลาเราตามที่ราตกาถาจารย์ท่านบอก ท่านบอกว่ า, าทรงแสดงในวันเพนมาคคือหลังจากพระสาสิบุตรปัรลุอรหันต์เป็นพระหันต์ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่สุกรารขาตาเขาคิจกูดท่านที่เคยไปอินเดียก็เคยจะเคยงจะเคยเห็นในที่นั้นพระสาสิบุตรก็ไปถวายงานพัดอยู่ ที่นักข่อาิเวสนะซึ่งเป็นหลานของพระศาริบุตรแต่เป็นปริภายชกไปฟาพระพุทธเจ้าก็กราบทูลในทํานองจะด่าแขวะพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าพระสั ม, มณโคโดมข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมด ค, คือในแง่ของภาษาก็หมายความว่าแกไม่ชอบใจพระพุทธเจ้า แล้วก็ทีนี้เมื่อแกใช้ทั้งปวงทั้งหมดข้ามันก็ติดแกเข้าไปด้วยไอติดความเห็นแก่เข้าไปด้วยพระเจ้าก็รับสั่งว่าดูก่อนที่ข้าหนาัคขะถ้าอย่างนั้นความเห็นของเธอก็ต้องไม่ควรแก่เธอด้วยเธอก็ต้องไม่ชอบใจความเห็นของเธอด้วยถึงถือว่าเป็นพระพุทธดำรัสที่กิดถึงลูกถึงคนกันทีเดียวที่ข้านัคขะก็ตะลึงงงมันพูดไม่ได้เพราะแกเองก็เป็นนักปราชญากัน ต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงจำแนกแสดงถึงความคิดของคนเฉพาะในแนวนี้ก็แสดงไว้3แนวว่าคนบางคนก็ไปกำหนดว่าบางสิ่งควรแกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจบางสิ่งควรแกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ชอบใจซึ่งก็หมายความว่าเป็นความรู้สึกปฏิเสธบุคคลหรือสิ่งบางพวกแล้วก็กำหนัดยินดีในเรื่องบางเรื่องถึงการสรุปแล้วก็คือเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นอภิชาพวกหนึ่งเป็นโทมนัสพวกหนึ่ง คนบางพวกก็สําคัญว่าบางสิ่งสิ่งทั้งปวงควรแกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจทั้งหมดอันนี้ก็ไปรวบเอาหมดเลยคือไม่ได้แยกอะไรคือทั้งดีไม่ดีก็เหมือนกันแนวคิดแรกแนวคิดแรกนั้นปฏิเสธหมดเลยซึ่งทั้งดีและไม่ดีไปปฏิเสธหมดแต่แนวที่3นั้นก็รวบหมดเลคือทั้งดีและไม่ดีซึ่งทั้งทั้งหมดนั้นแสดงให้เห็นถึง เป็นการกำหนดตามอารมณ์ซึงอาจจะเป็นโมหะโลภะโทสะก็แล้วแต่เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสรุปแสดงที่เราเรียกว่าเรื่องของเวทนาแต่ในบาลีมัชฌิมานิกายท่านเรียกว่าทีฆะนักสูตรไอที่บางแห่งเรียกว่าเวทนาปริกหะสูตรคือการกำหนดดูเวทนาภาษาดิบุตรท่านก็ฟังนะระษาดิบุตรเนี่ยท่านก็แปลกกว่าคนอื่นคือ์ก็เทศให้คนอื่นฟังนะท่านบนรรลุมากุล ก, ก็ไปแอบฟังเขาแต่ก็ได้มันลุปมักผลเรฟังอยู่ข้างหลังก็ท่านก็นมาสรุปพระสิ่งทั้งปวงบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นรู้เจ้าสอนให้ปล่อยวางในเ ว, เวทนาทั้งหลายที่บุคคลกำลังประสบอยู่พิจารณาตามไปก็บรรลุอรหันต์เป็นพระหรันตอนเย็นรู้เจ้าก็เสด็จลงจากภูเขาคิจกูดซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าภูเขาคิจกูดกับพระเวฬุวันก็ไม่ได้ไกลอะไรกันก็เสด็จลงมา แล้วพระเหล่านี้ตามที่พระตกระถาอาจารย์บอกก็ว่าที่จริงท่านไม่ได้มาไกลเท่าไหร่นะเพราะเป็นพวกกุราณนักดินคือพวกพระอุรุเวลาการศึที่พันรูปแล้วก็เป็นพระสารีบุตรพวกบริวารพระสารีบุตรี250รูปก็พัน250รูปแต่ไม่ได้อยู่ในพุทธศาสนกเพราะต่างคนต่างกระจายกันอยู่ไปในแต่สรุปก็กอยู่ในแควนมรคตนันเดอง อ, อยู่ในแควนมรคต แต่ก็อยู่ห่างกันคนละทิศคนละทางเพราะว่าอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ากันไปถึงวันนั้นก็เกิดมานัดประชุมมาพร้อมกันเฝ้าสเสด็จพระพรุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากับภาษาทีบุตรเองก็สเสด็จลงมาจากพวกเขาคิจกุขุดเมื่อตายเป็นเรื่องแปลกไปว่าต่างองค์ต่างก็อยู่กันคนละทิศละทางแล้วเกิดมาโดยไม่นัดหมายกันที่เราเรียกว่าจาติรงจาริรงกสันิบาศคือการประชุมที่พร้อมในองค์สี่ซึ่งก็มีครั้งเดียวแล้ก็ครั้งแรกเออส่วน ในอจาตุโรงกัสาันิบาตนั้นเเป็นเรื่องแปลกที่ในพระใยบิดกท่านไม่ได้บอกไว้แล้วันก่อนนี่ก็คุยกันว่าเอ๊ะนี่มันมาอย่างไงเพราะการจัดองค์จริงๆมันก็จัดไม่ค่อยลงกันเท่าไหร่ก็เข้าใจกันว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากแนวของปฐุมสมโพธิกถาซึ่งกรมพระประมานุชิตชนนนินุรสจงนิพนเออหนังสือนาหนสืสมัยนั้นก็เรียบเรียงมักเน้นไปในเรื่องอัศจรรย์เรื่องปาฏิหาริย์เรื่องอิทธิฤทธิ์อะไรเนี่ยฮะ ประยามารมาผจญพระพุทธเจ้าไอ้เท้าหนึ่งเหยียบอยู่ที่ริมต้นโพไอ้เท้าหนึ่งยันภูเขาจักรวาลอย่อยตัวคือ <c oughs> แต่ว่าในในพระไตรปิฎกจริงๆไม่มีเรื่องเหล่านี้พวกจจติรงส า, านิบาตเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าพระสา ว, วกเหล่านั้นมาประชุมแต่เราก็ไม่ถือว่าเรื่องอัศจรรย์เฉพาะในพระไตรปิฎกไม่ถือเรื่องอัศจรรย์แต่เรามองในสายตาธรรมดามันก็เรื่องอัศจรรย์นะเพราะว่าคนตั้งพันกว่าคนโดยไม่ได้บอกกล่าวอะไรกันแล้วมาประชุมกันได้ พระพุทธเจ้าก็สแสดงโอวาทปาทิโม ค, คือคำสอนหลักก็เริ่มต้นด้วยขันติปรมังตะโพตีสิกขาแปลว่าความอดกลั้นคือความทนทานเป็นตะบะอย่างจริงเออข้อ น, นี้มันมีอะไรซ่อนอยู่สองสามชั้นนะฮะท่านจะเห็ยยนว่าคือแนวความคิดในสมัยโบราณคือสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางดำรงพระชนอยู่แล้วก่อนที่พระองค์จะอุบัติเนี่ยจะตัดสรู คนสมัยนั้นถือว่าเอต้ตบะทำนี้เกิดขึ้นจากการทรมานร่างกายคือการย่างกิเลศให้ร้าบร้อนโดยการทรมานตนตามวิธีการของเขาก็แล้วแต่บางคนอาจจะนั่งกำมือจะเป็นปีๆจนเล็บงอกทะลุไปหลังมืออีกด้านหนึ่งบางคนอาจจะนอนอย่างตัวบนหลุมถานเพลิงครุขี้เท้ายืนขาเดียวเกี่ยวเอาขาเกี่ยวกับต้นไม้ฝังตัวลงไฟครึ่งตัวก็แล้วแต่จะเล่นมันก็เยอะแยะไปหมดเลยคือนี้ก็ถือว่าเป็นตบะ ในการบำเพ็ญตบะในแนวนิ่มก็มีอยู่หลายชั้นนะฮะชั้นแรกก็มุ่งในการย่างกิเลสการกิเลสเบาบาก็มันเกิดขึ้นมาจากแนวความเชื่อที่พูดผ่านมาตะกีนเนี่ยตอนที่บรรยายเนยว่าพวกนี้ถือว่ากายกับจิตนั้นกายนั้นเหมือนกับกรงขังจิตจิตที่จริงแล้วก็บริสุทธิ์สะอาดได้เกิดแต่มาติดอยู่ในกรงขังของกายวันวิธีจะทําให้จิตอิสระจากกายก็คือต้องทรมานร่างกายรับความลําบากนะเหมือนจะแหก คุกเอานักโทษออกจากคุกคือต้องพังคุกออกมาแล้วก็ต้องทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆเพื่อจิตของตัวเองเป็นเป็นอิสระนั่นก็คือประจาเดิมของฮินดูไม่ใช่ของฮินดูของพราหมณ์ตั้งแต่โบราณมาเลยหรือก่อนพุทธกาลประมาณ1 500ันหาปีอันนี้ความคิดนี้ก็เริ่มขึ้นการทรมานเหล่านี้อีกแนวหนึ่งก็คือเพื่อจะเป็นที่โปรดปรานของเทวดาทั้งหลาย ถึงด้นต่างหลายจะพวบว่าในตํานานของอินเดียมีเยอะนะพวกทรมานร่างกายจนถึงกับเทวดามารับขึ้นไปเชี่ยวบนสวรรค์แต่บางทีมันก็ต้องการแกแข่งบา ร, รมีกับเทวดานะเช่นฤษีบวกอะไรต่ออะไรพวกอะไรโกรธกันเลยเกิดที่รามเกียรติก็บรรยายไว้เนะี่ยจนถึงกับเทวดาต้องส่งไอ้พวกเทพธิดามาทําลายตาบะของฤษีไปเพราะว่าพวกนี้ใช้อิทธิฤทธิ์พวกตะบะไปแข่งข้อกับพวกเทวดาทั้งหลาย รสรุปว่าตบะรรมเหล่านี้ก็มุ่งไปในการที่จะย่างกิเลสแล้วก็เพื่อเสริมตัวเองให้มีความยิ่งใหญ่ขึ้นแต่พระพุทธศาสนาเราไม่ได้มีแนวอย่างนั้นพุทธศาสนาเราถือในชั้นของการปฏิบัติการศึกษาการปฏิบัติเพื่อบรรลุผลในทางาศาสนานั้นก็ต้องอาศัยขันติเป็นหลักและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการทํางานสําหรับพระอราหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นที่จะเผยแผ่าศาสนานี้ก็ต้องทําแบบทุ่มตัวลงไปเลย เรเป็นยุคบุกเบิกนะฮะพระอรหันต์เหล่านั้นท่านเป็นยุคบุกเบิกแล้วว่ากันตามความจริงเป็นเรื่องแปลกน ะ, ะท่านตั้งพันกว่าองค์ที่จริงไม่ใช่พันกว่าองค์เนี่ยพันสกว่าองค์พวกยุคแรกอะยุคก่อนที่90องค์กับยุคนี้อีกพันสองห้งค์เนี่ยมีผลงานอยู่สักเจองค์เด็กแล้วท่านหายไปหมดเลยคงจะไปกันสุดกูกันหมดเลยเพราะท่านไม่ยินดียินร้ายไม่ติดอะไรแล้วนะฮะท่านก็ไปลอยสอ น, นท่าน เรื่อยไปแล้วก็ไม่มีการบันทึกหมายเหตุเอาไว้ว่าท่านทำอะไรกันบ้างจนถึงกับผลงานในยุคหลังก็ไม่ค่อยมีปรากฏเนื่องจากพระสังคีติการ์าเนี่ยเป็นพระในยุคหลังไม่ใช่ยุคแรกก็เรียกว่าเป็นเด็กรุ่นหลังมาทํางานร้อยกลองมาสมัยนั้นก็ไม่มีเอกสารหลักฐานอะไรผลงานของพระในยุคนั้นก็มีเหลืออยู่ก็มีภาษาดิบุตรพระโมคคลลานะพระกนทัญญะพระอศัศเชชิพระควมปติก็ที่พบก็มีอยู่5องค์ แล้วก็มีอีกองค์หนึ่งคือพระลักษณะที่กลุ่มพันรูปเนี่ยก็มีเหลืออยู่องค์นะแต่ ก, ก, ก็ก็ไม่ค่อยมีหลักฐานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพียงแต่ว่าท่านก็เกิดสอบถามในเรื่องเปรตขึ้นมากับพระโมคคัลลานะเท่านั้นเองตั้งเกือบสามพันนะฮะแต่ประมาณสามพประมาณพันไม่ใช่ไม่ใช่เกือบสองพันประมาณพันห้าร้อยองค์อะตอนนั้นนะก็ก็หายหายไปเลย เดี๋ยาทำงานด้วยความไม่หวาดวันต่ออุปสรรคอันตรายอะไรสารพัดไปกันเรื่องของความอดทนจึงถือว่าเป็นตบะเป็นบรมตบะสูงใช้คําว่าเป็นตบะอย่างยิ่งความอดทนตามแนวของพระพุทธศาสนานั้นก็ไม่ใช่อดทนไปทุกกรณีนะฮะ <c oughs> การใช้ธรรมะจะต้องใช้เป็นอดทนก็มีอยู่4เรื่องซึ่งว่าที่จริงโดยโดยหลักแล้วมักจะแสดง3แต่ว่าเรากระจายให้เห็นง่ายๆก็จะกลายเป็นเรื่อง4ี่ คือทนต่อความวิปริิตของธรรมชาติพวกนี้แหละคือความรุนแรงของธรรมชาติต่างๆไม่ไม่เห็นแก่ไม่ไม่กลัวต่อความหนาวความร้อนความไฟธรรมชาติต่างๆอีกแนวหนึ่งก็คือความเหนื่อยยากลําบากในกิจการงานหรือประกอบภารกิจต่างๆไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะฮะคือการศึกษาก็ดีการปฏิบัติก็ ด, มกดีมันก็ยากทั้งนั้นแนหะแต่ก็ต้องทนแล้วก็ทุกเวทนาที่เกิดขึ้น แก่ร่างกายของตนในการปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นกับความเจ็บใจความน้อยใจความเสียใจตลอดถึงอารมณ์ของกิเลสทั้งหลายแต่ว่าไอเรื่องของของกิเลสนั้นท่านท่านทั้งหลายจะพบว่าแนวที่ส่งแสดงคือถ้าแสดงธรรมะมาเป็นคู่ก็ เ, เรียกว่าขันติกธรรมะมันก็มีอยู่สองระดับคือมาความมาธรรมะนั้นความคิดของเราเองเราข่มไว้ถ้ามาคู่กันอย่างนี้นะฮะแต่ถ้า คันติก็คืออารมณ์นั่นมาจากภายนอกเช่นคนดา่าเราโบประมาดเราดูหมิน่นเราแล้วเราเกิดโกรธแล้วก็ให้อดทนแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีธรรมะอยู่ด้วยก็หมายความคันติก็ใช้ทั้ง2องอย่างใช้ทั้งข่มใจตัวเองไว้ด้วยแล้วก็ใช้ทั้งปิดกระแสของกิเลสแต่ของอารมณ์ที่มาจากภายนอกด้วยประการที่สงทรใช้คําคว่านิบบานังปรามังวัดันติบุตธาคือท่านผู้รู้ทั้งหลายหรือพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่กล่าวพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรมอันนี้ก็อีกแหละ คือในแง่ของการปฏิวัติความคิดของนักปราชญ์ในสมัยนั้นคือท่านถือว่าการปฏิบัติเพื่อเข้าไปอยู่ร่วมกับปรมาตตมันยุคแรกนะฮะยุคแรกก็เป็นประชาบดีก็เป็นปรมาตตมันเป็นพรหมมันเป็นอะไรก็ตามคือจิตสากลอ่ะชื่อมันก็เรียกกันเยอะมันก็เปลี่ยนเป็นยุคเป็นสมัยกันเป็นปรชาบดีเป็นปุรุษะเป็นปรมาตามันเป็นพรหมมันเป็นพระพรหม คือตัวจิตสากลเนี่ยเขาบอกเป็นพลังจิตมหาศาลไม่รู้เท่าไรแทรกซึมอยู่ทุกคนทุกแหง <g iggle> <c oughs> ่งก็คนนี้ก็มาคนเราเนี่ยมันมีลักษณะที่หมุนกลับแล้เขาบอกว่าหมุนกลับคือไอ้จิตเนี่ยมันก็คือส่วนย่อยที่แยกออกมาจากไอ้ตัวใหญ่ตัวเนี้ยตัวสากลตัวเนี้ยเพราะงั้นถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยคนเราจะกลับไปอยู่รวมกับนั้น <c oughs> นั่นก็คือบรุษมสุขบุรมธรรมก็อธ <c oughs> ิบายกันในสมัยนั้น แต่พระพุทธศาสนาไม่ถือว่าเป็นบรมรสุขเพราะอะไรเพราะมีการเกิดเมื่อเกิดก็ต้องแก่แก่ก็ต้องเจ็บเจ็บก็ต้องตายพระพศาสนาก็แสดงเลยไอ้นั่นไปเลยบรมธรรมของเขาไปก็กลายเป็นเป็นเรื่องของนิพพานก็เป็นการปฏิเสธแนวความเกิดในรูปแบบต่างๆคือจะเกิดเพื่อรับใช้เพื่ออยู่รวมหรือเพื่อรับใช้ไอ้สิ่งสูงสุดก็ตามขึ้นอยู่กับยุค ก, กับสมัยนะฮะเครื่สะดวกประยุ่ร่วมกันกับรับใช้ ยุหลังนี่มาอยู่ในรูปรับใช้เช่นกอยุกถึงพระพรหมคือคือหมายความว่าองค์สูงสุดเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาเป็นพระพรหมนะเป็นพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นย่าโควาหรือพระอันเลาะหรือพระอะไรก็ตามคือไปรับใช้ท่านไปอยู่รับใช้ท่านเพราะเรามาจากท่านแล้วเราไปอยู่รับใช้ท่านตลอดช่วง น, นิรันดร์ก็เรียกว่าเป็นธาตปล่อยไม่รู้จักไปพระพุทธศาสนาเราก็ไม่เอาเราก็เลยไปนั่นดิถือว่าการเกิดทุกรูปแบบเนี่ยมันเป็นทุกหมดได้ หม่ว่าพรหมอะไรก็ตามแนหะคือถึงถึงสูงสุดพรหมโลกที่สูงสุดก็คือในวาสัญญาณานัญญาจตนะเนี่ถือว่าสูงสุดแต่พรุทธศาสนาถือว่าเกิดเมื่อเกิดก็ต้องแก่แก่ก็เจ็บตาเจ็บตายมันเข้ากระบวนการกธรรมชาติจึงทรงสแสดงหมายว่านิพพานเป็นบ ร, รมธรรมบ ร, รมธรรมเราจึงไกลกว่าเขานะเขามีเกิดเราไม่เกิดแล้วก็เอกลักษณ์ของส ม, มณะคือส ม, มณะในสมัยนั้นพวกนัก บ, บวชเป็นเจ้าพิธีกรรมเนี่ย มันก็มีส่วนในการฆ่าคนฆ่าสัตว์ถ้าพวกมหายันก็ฆ่าคนด้วยนะฮนะนักหม้ายันใหญ่มันก็อย่างละ 700. เจ0ดร้อยธาตุเจ็ดร้อาสีเจ็ดร้อเด็กหนุ่ม7 0็ดร้อยเด็กสาว7 0็ร้อยะไรนะี่เจ็ดร้อยหมดมันก็ฆ่าคนด้วยเป็นเจ้าวิธีแต่ก็เขาพูดโน้มน้าวให้คนก็เห็นว่าคนที่ตายไปนั่นสามารถที่จะบังเกิดในสวรรค์ พระพุทธเจ้าในยุค ข, ของพระองค์เองพระองค์ไม่แสดงอะไรตรงๆแต่รับสั่งเล่าเป็นนิทานเล่าถึงว่าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งพระองค์ได้แก้ปัญหาเหล่านี้ในพวกที่นิยมไปฆ่าคนอื่นเพื่อส่งไปให้อยู่บนสวงสวรรค์เนี่ยท่านก็ไปถามว่าแล้วพ่อแม่คุณเป็นยังไงอยู่ในโลกเป็นอย่างี้เป็นยังไงก็อยูไ่ไม่สุขสบายอะไรแล้วพ็เอ้าแต่งั้นก็ฆ่าพ่อแม่คุณส่งไปอยู่บนสวรรค์ได้ก่อนเนยอย่าเอาลูกชาวบ้านมาฆ่าทําไมแล้วก็สวรรค์มันดีนี่ คื อ, ค, อ, ค, อคือแนวเหล่านี้ท่านท่านั้งท่านทัน้งหลายจะเห็นว่าแม้แต่เปาบุญจิ้นเองเนี่ยก็เคยเอามาแก้ปัญหาในสังคมจิตไอพวกที่จับสา พ, พรหมจรีฆ่าผู้บูชายันให้ไปอยู่รับใช้เทพเจ้าแล้วบอกว่าจะได้อยู่ดีมีสุขในสวรรค์เนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่ทุกแห่งทุกคนเพราะความเชื่อทูเจ้าก็แสดงเอกลักษณ์ของส ม, มณะในพระพุทธศาสนาว่าสมโนโคตีประงังเวทยันโต คือผู้ท่ฆาสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าบัพปิชิตไม่ชื่อว่าสมณะซึ่งก็หมายความคําว่าบัพปิชิตก็ดีสมณะก็ดีนะเป็นคําเก่าเป็นคําที่มีอยู่แล้วในสมัยนั้นเป็นเครื่องหมายรู้เรียกชื่อนักบวชประเภทหนึ่งแต่ว่าเราก็สร้างเป็นเอกลักษณ์ของเราขึ้นมาใหม่ชื่อมันเหมือนกันจริงแต่เอกลักษณ์ก็มีว่าจะต้องไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายสัตว์ื นี่ก็เป็นลักษณะของส ม, มณะในทางพระพุทธศาสนาซึ่งตรงกันข้ามกับเขาเขานี่เป็นจอมบูชายัญนะเป็นเจ้าพิธีในการบูชายัญแล้วก็ในการบูชายันแต่ละคราวมันก็มีการสูญเสียมีการล้มหายตายจากไปเยอะแยนี่คืออุดมการณ์สูงสุดเพราะงั้นพระพุทธศาสนาจึงมีอุดมการณ์สูงสุดอยู่ที่คันติเป็นตาบะธรรมนิพานเป็นบรมธรรมแล้วก็ในเชิงพฤติกรรมนั้นจะต้องไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนประทุสรายกัน ต่อไปก็ส่งแสดงหลักที่เราเรียกว่าเป็นหลักการหลักการที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าสู่บรมธรรมโดยอาศัยหลักของขันติเป็นต้นเนี่ยก็ส่งแสดงที่เราเรียกว่าเป็นหัวใจศาสนาก็พูดง่ายๆนะแต่ว่าความนั้นกระชับใช้คำว่าสัพปาปาปัสสะาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็ถอยคากันนิดเดียว แต่ว่ามังคุมหน้าคุมหลังท่านทั้งหลายจะเห็นว่าถ้อยคาพระพุทธดํารัสพระพุทธเจ้าที่เราถือว่าเป็นภ า, าสิทธ์นี่คือมันดิ้นไม่ได้รับสั่งอะไรออกไปแล้วเนี่ยสมบูรณ์ทั้งโดยอัฏฐะและโดยพยัญชนะคือใช้คำนี่มันบีบความให้ปฏิบัติว่าต้องปฏิบัติอย่างนั้นแล้วจะมีผลเป็นอย่างนั้นทรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังอัตรองตามพิจารณาตามไปแล้วก็เห็นจริงได้ครนี้ก็ขึ้นด้วยสัพปะปาภาษากะนางไม่กระทาบาปทั้งปวง คือท่จะเห็นว่าการไม่กระทําบาปนั้นต้องทั้งปวงจะเล็กจะน้อยไม่สาคัญนะคือถ้ายังทําอยู่ถือว่าไม่เข้าถึงหลักการของพระพุทธศาสนาเพราะหลักการสูงสุดของพระพุทธศาสนาจึงละหมดทั้งบุญทั้งบาปพระอรหันต์ทั้งหลายตอนนี้ก็ปุญญะปาปะพะหิโนคือไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีทั้งบุญทั้งบาปพฤติกรรมทั้งหมดเป็นศักด์แต่ว่ากิริยาเท่านั้นไอ้ใช้คำเพียงสามคำจริงนะแต่ว่าก็มันก็บีบบีบอัดผะ เพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติที่สมบูรณ์จริงๆเรียกว่าท้อยคำได้เป็นพุทธภาสิตพูดง่ายนิดเดียวสัพปะปาปัสกอกระหังเท่านั้นเองแต่ว่าเวลาปฏิบัติปฏิบัติยากเมื่อล่าวโดยสรุปเราจะพบว่าไอสิ่งที่เป็นบาปก็คืออากุศลและเจตนาที่บังเกิดขึ้นแต่จิตของบุคคลเรื่องอาจจะเกิดในด้านของความคิดหรือว่าออกมาทางกายออกมาทางวาจาก็ตาม มีผลเป็นความเดือดร้อนสิ่งนั้นก็เป็นบาปบา บ, บางอย่างจึงเบียดเบียนตั้งตนเองและเบียดเบียนบุคคลอื่นบา บ, บางอย่างนั้นเบียดเบียนเฉพาะตนเองเท่านั้นเองคนหนึ่งเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรบา บ, บางอย่างจะต้องมีปัจจัยกระตุน้นแล้วจึงจะเกิดเป็นความร้อนร้อนขึ้นภายในใจมันก็มีความหยาบละเอียดออกไปเป็นชั้นๆโดยลําดับซึ่งซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าบางช่วงเราก็ต้องอิงอาศัย บางช่วงมันก็ต้องต้องมีบางช่วงก็ต้องชิงอะไรเนี่ยอย่างพวกพวกลักษณะที่มันมีความประณีตขึ้นไปเช่นสมมุติว่าความโลภความโลภในช่วงหนึ่งเราบันเทาบันเทาบันเทาลงไปมันก็เป็นกามฉันกามฉันมันก็ดีขึ้นหน่อยแล้วต่อไปก็เป็นฉันทะที่จิ้มก็เจือราคาอยู่นะไม่เจือราคาอยู่หรือแม้แต่อัสาทะที่เแปลความยินดีที่จิ้มก็เจือราคาอยู่ แล้วมันจางนั่นเองราคามันจางมีเหตุมีผลสามารถที่จะวิเคราะห์ตัดสินเรื่องราวต่างๆได้แล้วก็ต่อไปก็กุศลสู้ประสัมปดาคือการทำกุศลให้สมบูรณ์ท่านช้คำประสัมปธาอยู่ข้างหลังจะคุมที่คำนะคุมที่คำอย่างที่อามาเคยยกตัวอย่างให้ฟังทีนึงว่าพระเจ้าทรงแสดงสองบรรทัด เตสังสัมปันนศีลานังอั ป, ปม า, าวิหาริหนังสัมมะดัญญาวิมุตตานังมารมัง ก, กังนวินตินนดานิพานะมานย่อมไม่พบผลทางของผู้มีศีลสมบูรณ์มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทจิตหลุดพ้นเพราะรู้ชอบสอย่างแล้วท่านสงฆจะเห็นว่าไอ้สอย่างเนี่ยอันหนึ่งศีลอันหนึ่งความไม่ประมาทเพราะงั้นศีลจึงเข้ามาในขอบข่ายของสมาธิจนถึงปัญญาคือไม่ประมาทสมบูรณ์ ย่อก็จิตมันก็หลุดพ้นหลุดพ้นเพราะเป็นสัมมาวิมุตติหลุดพ้นพระรู้ชอบมันก็มาเพราะผลถังไม่ได้ใช้คาถาสองบรรทัดเท่านั้นเองที่เราสวดกันในตอนเช้าธรรมวัฒน์เช้านะฮะที่เราสวดสันเสริญพระพุทธคุณที่บอกว่าศาสตร์ถังสัพยัญชนะเกวละบริบุรณังบริสุทธางพรหมจรอย่างประกาศเสสิพระเจ้าทรงประกาศพรหมจรรยบริสุทธิ์บ ร, ร, ร, ริบูรณ์สิ้นเชิงสมบูรณ์ด้วยอัตตะและพยัญชนะก็คือเป็นอย่างนี้เอง น้อยๆ น, น, นะฮะคําำพระพุทธดํารัสลนี้พูดน้อยๆเัาสั่งอะไรน้อยๆแต่ว่าเมื่อนําไปประพฤติธปฏิบัติแล้วกว่าจะสุดขอบข่ายของพระพุทธํารัสได้มันก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันต่อไปก็ใช้คําคว่ากุศลสู้ประสัมปดาคือการทํากุศลให้สมบูรณ์กุศลก็คือกุศลที่ที่จริงมันเป็นชื่อของของย่าอย่างหนึ่งเนี่เป็นญ้าที่มันสามารถตัดอะไรได้กุศลก็คือการตัด อะไรก็ตัดบาปแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นภาในจิตก็คือแปลความฉลาดกุศลก็คือความฉลาดเมื่อเกิดขึ้นที่จิตก็ทําให้คนเป็นผู้ฉลาดฉลาดในชั้นพื้นฐานทั่วไปก็คือการแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นกุศล อ, อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลแล้วก็มีอุบายวิธีที่จะหลีกหนีทางเสื่อมมาดําเนินในทางเจรรตได้เพราะงั้นการแยกในะคราวแรกก็เรียกว่าอาญากุศล คือฉลาดในทางเจริญอปาโยโกสนฉลาดในทางเสื่อมอุปาโยโกสลมีบายวิธีที่จะหลีกทางเสื่อมมาเดินในทางเจริญมันก็เริ่มกันตรงนี้ซึ่งก็แสดงว่ารู้ดีรู้ชั่วพูดง่ายๆธรรมดาธรรมดานี่ไงรู้ดีรู้ชั่วแต่จะไม่ใช่เรื่องง่ายนะในชั้นของการปฏิบัติพูดง่ายๆจริงอนะแต่ว่าพอออาก็จริงเราก็แยกไม่ค่อยออกเหมือนกันถ้าให้สมบูรณ์สมบูรณ์ชั้นไหน ท่านทั้งหลายจะพบว่ากุศลในทางพระพุทธศาสนาก็มีอยู่สองชั้นชั้นแรกเราเรียกว่าวัตรกรรมมีกุศลพวกนี้ก็คือบำเพ็ญศีลทานภาวนาไปอย่างนี้แหละคือทั้งหมดเนี่ย ม, มันเป็นการเสริมสร้างเป็นการพัฒนาชีวิตยกระดับความประพฤติความนึกคิดจิตใจของบุคคลให้สูงขึ้นแล้วก็พัฒนาจิตไปเรื่อยในชั้นของสมาธิจนมีความสงบบรรลุฌานไปหายไปเลยจนถึงนู่นแหละถึงอรูปฌานชั้นสุดท้ายมันก็ยังเป็นวัตรกรมมีกุศลอยู่ แต่มันตกแต่งพบชาติมันเปลี่ยนแปลงกติเปลี่ยนแปลงพบเปลี่ยนแปลงอะไรตัวไรมันดีขึ้นแม้จะเกิดมันก็เกิดดีมันก็มีสถานทีด่ดีมีรูปพันธุ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเป็นต้นแรงก็ดีดีขึ้นนะแต่อยู่ในชั้นของเกิดนะกุศลชั้นนี้ชั้นเกิดตั้งเหมดอ่ะที่เราเรียกว่าบุญนะเราเรียกว่าบุญเป็นกุศลชั้นตกแต่งพบชาติบุญไม่มีในในในในอีกชั้นหนึ่งนะอย่างชั้นโลกุตระกุศลนี่เขาไม่พูดบุญนะบุญไม่มี ไม่เขาไม่พูดบุญเพราะบุญจะต้องตกแต่งพวพชาติท่านั้นชั้นหนึ่งก็เรียกว่าวิวัตรกรมมีกุศลก็คือการมรซีผลซีนิพานหนึ่งะ่ะเรียกว่าโลกุตระธรรม9นี่เรียกว่าวิวัตรกรมมีกุศลแต่ตัววิวัตรกรรมมีจริงๆ จ, จ, จะต้องเป็นเฉพาะปาราหันเท่านั้นนะฮะเพราะว่าป ร, ริยบุคคลสามข้างต้นนี้ยังอยู่ในวัฏฏะอยู่แต่มันถึงกระแสนิพานแต่นั้นเองเพราะอย่างน้อยท่านก็ต้องเกิดอีกไม่ต่ำกั่หนึ่งชาติแต่ว่าชาติของท่านนานนั่นเอง ดังนั้นการทำกุศลให้สมบูรณ์ก็คือกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นมีความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นพื้นแล้วก็กระทำลงไปอาจจะเป็นเรื่องของความคิดอาจจะเป็นเรื่องการพูดหรือว่ากระทำทางกายแล้วก็มีผลเป็นความสุขความสงบกเกิดขึ้นแก่ตนนี้เราก็ถือว่าเป็นกุศลอย่าลืมนะทุ้ท่ายการทกุศลให้สมบูรณ์มันก็ไปบีบที่ตรงนี้กาทกุศลให้สมบูรณ์ขึ้นมา ถ้ายังไม่สมบูรณ์พระพุทธเจ้าก็ไม่รับรองผลนะไม่รับรองไม่รับรองผลที่สมบูรณ์แต่รับรองผลที่ลดหลั่นลงมาได้ก็เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมายความว่าเราเราปฏิบัติไปชั้นไหนเราก็ได้รับผลชั้นนั้นแต่ถ้าสมบูรณ์พระองค์ก็รับรองผลสมบูรณ์เหมือนกันเพราะธรรมาส่วนมากเป็นเหตุคือทรงแสดงธรรมมีเหตุที่เราตรองตามปฏิบัติตามแล้วก็สัมผัสผลได้ ถ้รารประกอบเหตุมากผลก็มากเหตุน้อยผลก็น้อยแต่ถ้าเหตุสมบูรณ์ผลสมบูรณ์ซึ่งเป็นเป็นหลักที่พิสูจน์ได้ไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามคือปัญหาในปัจจุบันนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าคือเราไม่ประกอบเหตุแต่เราไปปฏิเสธผลเหตุนั้นไม่ประกอบแต่ไปปฏิเสธผลอย่างเรื่องผลที่เกิดขึ้นจากพระยาณต่างๆนะการนัลึกชาติได้ก็ดีหรือว่า พวกกเรกตาพินีหารโรเกือรพินิหารที่กระทำไว้แ ล, แล้วก็ดีนะเนี่ยแต่เราไม่ได้ศึกษารายละเอียดในเรื่องเหล่านี้แล้วเราก็ไปปฏิเสธผลเหล่านั้นอย่างเมื่อวานเนีมาไปที่จังหวัดประจวบระดับครูใหญ่นะฮะของโรงเรียนเนี่ยมันมีปัญหาแหลมขึ้นมาปัญหานะึงปัญหาเด็กถามแท้ๆเลยไม่น่าออกมาได้ถามว่าไอ้ที่พระเจ้าประสูทธ์มาแล้วเดินได้โดยประบาดเจ็ดเดินด้วยประบาดได้7จ็ก้านนี่มันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปจริงได้ยังไง บอกเป็นไปจริงอย่างนั้นน่ยจริงสมบัตอัจฉริยะมนุษย์ดังนั้นเราในที่สูงก็ต้องบรรยายเรื่องนี้เสียะก็เสียเวลาเพราะคนชั้นนี้แล้วก็มาสงสัยปัญหาเด็กนี่เขาไม่สงสัยกันยกถวายให้พระพุทธเจ้าสักองค์ไม่ได้จะเหรอเรื่องขนาดเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องพิเศษไรนักหนาเป็นกรรมยนต์นี้เป็นความสมําเร็จโดยกําเนิดของพระองค์ท่าน เรื่องกอ็อัจฉริยะมนุษย์เป็นความสําเร็จโดยกําเนิดของเขาเราก็เทียบคนได้เยอะแยะไปที่ลดหลั่นลงมาพอคนขนาดนี้ก็กสําเร็จโดยกําเนิด อ, อย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเหนือกว่าคนเหล่านั้นตั้งไหนทำไมก็จะสําเร็จไม่ได้ไทําไม่ได้เออนี่ก็เป็นเรื่องของกุศลที่บุคคลจะต้องทําให้สมบูรณ์นะแล้วในชั้นของการปฏิบัติจริงๆพ ร, ระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าดูหมิน่น พวกนี้นะฮะในชั้นวัตตะไอ้วัตกรรมีก็ตามหรือวิวัตกรรมีก็ตามแต่ว่าวัตตะมันก็ต้องต้องเป็นปัจจัยถึงวิวัตะเพรจะดูหมิ่นว่าเล็กน้อยแล้วจะไม่ให้ผลเพราะว่าทั้งหมดนี่มันก็เริ่มจากการสะสมทั้งหมดบาปก็สะสมบุญก็สะสมเหมือนกระยาดฝนที่ตกลงทีละหยาดมันก็ทําภาชนะที่รองรับให้เต็มได้แต่การทําบุญทำกุศลมันก็ต้องสร้างความพอใจในบุญกุศลนละในที่สุดใจมันก็เต็มด้วยบุญด้วยกุศลประมาได้ถึง ตอนที่สามก็ทรงใช้คำว่าสจิตปรโยดปันังแปลว่าทำจิตให้ขาวขาวพ่องนะขาวรอบแต่เราแปลว่าผ่องแพ้วรู้สึกจะเห็นภาพได้ง่ายกว่า ต, ตามรู้สักจริงๆคือขาวหมดโดยรอบตัวเลยไม่มีอะไรด่างพร้ออยู่เลยซึ่งก็หมายถึงหลักการปฏิบัติที่เป็นป้าหมายแต่ท่านทั้งหลายอย่าลืมนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยมังกรา บ, บาบำเพ็ญบูนะถึงจุดหนึ่งจิตมันก็ผองแผ้วเอง เพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนเรื่องปรารหะกับภาวนาดังนั้นสจิตตประโยชน์ดับนังถ้าเราดูในเชิงการปฏิบัติแล้วเป็นแต่เพียงเป้าแต่นั่นเองแค่แค่กันิโรธอ่ะแค่กันิโรธมันเป็นเป้าเฉ ย, ย, ยเยพอทำมรรคสมบูรณ์มันก็ปุ๊บเดียวก็เป็นนิโรธอ่ะเพราะฉะั้นถ้ากุศลสมบูรณ์มาปุ๊บเดียวใจมันก็ขาวใจมันก็ผ่องแผ่แล้วเพราะกุศลที่สมบูรณ์จริ ง, รงๆนะฮะเป็นวัตถวิวัตถกรรมีกุศลเนี่ยก็คืออริยมรรคที่สมบูรณ์มันก็เป็นสัมมาญานอะ มัเป็นสมาญาณนะจิตมันก็ผ่องแพ้วผ่องแพ้วก็เป็นสมามุพก็หลุดพ้นไปจากคําน้าของกิเลสแล้วก็ทรงแสดงเป็นสามช่วงสามช่วงของการปฏิบัติโดยโดยเห็นว่าการปฏิบัติการทําการทําบาปการไม่ทําบาปทัป้งปวงกับการทํากุศลในสงถึงพร้อมนี้ถึงจุดต้องถึงจุดที่จิตผ่องแพ้วจากอาสวากิเลสทั้งหลายจึงใช้คําว่าเ จ, จิตาประโยชน์ดนังคือทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว และที่สุดก็มาสรุปด้วยคําว่าเอตังบุทานศาสนะนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายึงแสดงให้เห็นอะไรได้หลายอย่างนะฮะแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเรายอมรับความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าในอดีตแต่ไม่ใช่อดีตใกล้ๆนะอดีตไกลามากเลยแล้วอนาคตนะเยะจาตีตาสัมบุทาเยจารุทธานากตาเนะี่ยพระพุทธเจ้าในอนาคตก็มี แต่ไม่ใช่ใกล้ๆจำเมื่อวันซืนอนี่มีสุภาพสตรีคนหนึ่งมายังสงสารแกแต็กก็ไม่มีเวลาคุยนะฮะคือมาถึงนี่ตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้ามาเลยพอพูดต้องตามกามาจับทางได้เลยก็มาหาพอโผรมาถึงนี่ท่านเจ้าคุณแม่ที่ฉันมาหาท่านหลายวันแล้วต้องการอยากรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีใครบ้างไหมที่สามารถระลึกชาติได้เหมือนกับสิทธัตถะแต่มาว่าเอาอีกแล้วมาอย่างนี้แล้วเอาอีกแล้ว เสร็จแล้วก็นั่งอธิบายเดี๋ยก็โยงหมดเลยนะโยงเอาไอ้ตำรา ING, ต่ า, างๆมาโยงหมดเลย ส, สยศาสตรอะไรต่ออะไรเนี่ยคือจะให้สร้างเงื่อนไขให้ให้คนฟังในยอมรับว่าแกนั้นก็คือพระลักษมีเทวีที่เคยมาเกิดเป็นนางสีดานะฮะกำลังหาพระรามไม่เจอพระรามาอยู่ที่ไหนก็ ไ, นไม่รู้เลยแล้วก็พูดเชื่อมโยงไปเพื่อให้เห็นว่าแกนั้นก็คืออวะคืออวอะเอกิตยุกนะฮะเออะไรกิตยาวตานที่จะลงมาต่อไปอะ ลงมาต่อต่อไปเนี่เป็นสตรีสาวผิวขาวอะไรแต่ไรเนี่ยพูดไปเนี่ยพอแกพูดไปเสร็จแล้วก็จะว่าอย่างนั้นอย่างนั้ น, นอาตมาก็บอโยมไม่ต้องพูดหรอกเนี่ยอามาจะโยงความคิดของโยมให้ฟังว่าโยมพูดมาทั้งหมดนั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งตั้งหลายนันมาจากแหล่งเดียวกันแล้วโยมก็คือตัวตัวนั้นตัวใหญ่ตัวนั้นที่จะเป็นแหล่งที่มาของสิ่งทั้งหลายแล้วพอโยมเขียนหนังสือเสร็จปั๊บในคิดมาสวมหัวแป๊บก็ตรงเนี้คือพระเจ้า ยมก็ขายหนังสือให้เป็นคริสไปเรียบร้อยแกมันนะฮะแต่ว่าตายังไม่ค่อยขวางเท่าไหร่เอามาอย่างนึกว่าพอช่วยได้ <laughs> คื อ, เ, อ <laughs> เห็นว่ายังหลงตัวเองอยู่อยู่เยอะนะฮะเข้าใจว่าเวลาเนี้ยแกนั่นก็คือพระลักษมีพระลักษมีแล้วก็ไปบอกว่า <laughs> ด็อกเตอร์คนหนึ่งที่ดังๆคือพระรักษ์มาเกิดนะฮะจะสร้างเรื่องรามเกียรติ์กันในเมืองไทยจนได้แล้วก็คงสนุกกันใหญ่อต่นี้ก็คืออะไรคือ คือความคิดฝันนะฮะแล้วก็ต้องการความเป็นใหญ่ก็ ค, คิดว่าฉันจะต้องใหญ่ฉันจะต้องหนึ่งแล้วก็ในที่สุดมันก็เจิงออกไปจนกลายเป็นผู้ครอบงำสิ่งทั้งหลายเลยทุกอย่างนี่ในในโลกนี้ต้องอยู่ในตัวในในในในอนานาจของเราหมดเลยก็พอดีมีพันเอกคนหนึ่งท่ามานั่งอยู่ด้วยามาก็กระซิบไปเขาพูดมาก็หลบลงมาจากข้าวแตงกังล้างไม่อยอมพูดด้วยเพราะก็รู้แล้วจามาอย่างนั้นแล้วก็แน่นอนก็ไปอย่างเงี้ย มียอะฮะเดือนเดือนนี้เทวดาทั้งหลายจะลงมาเกิดจนเยวอะแยะหมดเลยพูดไปพูดมาก็ฉันเป็นองค์นั้นตรงนี่องคโน้นก็สนุกกันไปนี่ก็คือความฝันเฟื่องสี่ที่ขาดพื้นฐานแล้วก็ไม่ได้มองถึงหลักของเหตุของผลนะแล้วก็พูดไปพูดมานั้นพอแกนที่บายไปมันก็พระพุทธเจ้าก็คือพระเจ้าพระเจ้าคือพระพุทธเจ้าพระรามพระลักษพระอะไรต่ออะไรมันก็มาจากที่เดียวกันหมดเลยเพื่อจะให้ตัวเองได้เป็นตัวนั้นตัวใหญ่ที่สุดของเขาอะ ก็เป็นเรื่องชี้ละเลยหลักนะชิงหลักชิงหลักชิงกฎเกณฑ์ต่างๆว่าพระพุทธเจ้านั้นมีในอนาคตไม่ใช่ไม่มีหรอกแต่ว่าอย่าลืมพระพุทธเจ้านั้นต้องจัดสรุปอริยศาสตร์การจัดสรุปหมายความมาหลักของอริยศาสตร์นั้นไม่มีการเผยแพร่ไม่มีการแสดงไม่มีการปฏิบัติกันอยู่แล้วเราต้องผ่านยุคผ่านสมัยไปเป็นนั้นมากไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดหาหรอกปัจจุบันในอารยศาสตรยังมีเรียบร้อยเนี่ยนะไม่มีปัญหาอะไร การศึกษาการปฏิบัติการแสดงก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าสมมุติว่าใครจะผุดขึ้นมาตอนนี้จะตั้งตัวเป็นอาจจะเป็นพระอระหันต์อะไรขึ้นมาก็เป็นได้อย่างมากเขาแค่อนุพุทธเทนั้นเองคือรู้ตามพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ชัดเจนมากเลยในอัถนาสูตรเนี่ยบอกว่าเป็นอัถานะคือเป็นไปไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าสองพระองค์จะเกิดในยุคเดียวกันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ในยุคเดียวกันในจั ก, กรวาลเดียวกันนะฮะมีข้อแม้ว่าจักรวาลเดียวกันนะฮะ ถ้เกิดอีกจกักรวาลหนึ่งก็เราไม่รู้เหมือนกันว่าอันจะมีหรือไม่มีข้อต่อไปนั้นเขาเรียกว่าเป็นวิธีการเป็นวิธีการที่จริงแล้วก็คือหลักของนักเลยแผ่ด้วยแต่นักปฏิบัติเพื่อบรรลุอุดมการนะฮะโดยโดยการปฏิบัติตามหลักการเหล่านั้นแหละแต่เพื่ออุดมการณ์3ข้อข้างต้น เริ่มต้นเราจะเห็นว่าก็คือหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่เราพูดกันในสํานวนปัจจุบันนั่นเองใช้คําเพียงสองคำเท่านั้นอนุประวาโดอนุปรคาโตคือการไม่กล่าวร้ายการไม่ทำํำลายเราจะพบว่างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีอะไรที่แรงคือมีลักษณะที่เรียกว่าประนีประนอมเพราะว่าพระองค์มีความบริสุทธิ์มีปัญญามีความกรุณาอย่างแท้จริง คำสอนที่มีการชี้แจงแสดงกันในสมัยนั้นถ้าเป็นเรื่องจริงก็ยอมรับในชั้นหนึ่งทรงใช้คําว่าอาธิพรมจจันต์คือหลักการปฏิบัติเบื้องต้นที่จะทําให้คนเป็นคนดีได้เหมือนกันโดยชั้นหนึ่งในกรณีที่ไม่ไหวจริงๆก็พลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาใช้ในกรณีที่พอจะปรับปรุงใช้ได้มันก็เอามาใช้แล้วนอกจากนั้นก็คือหลักที่พระองค์ทงรง ส, สรุปเรสรุปว่าในการสอนพระพุทธเจ้าก็มีอยู่4แนว แนวนึงก็คือการปฏิวัติ่หมายถึงว่าพลิกอีกด้านหนึ่งมาใช้เจ็ดมาฆ่าสัตว์ได้บุญคาสัตว์วิชาญได้บุญพระพุทธเจ้าก็พลิกเออด้านบาปขึ้นมาใช้แต่อีกแนวแนวหนึ่งก็เรียกว่าพ อ, พอฟังได้นะแต่ว่าไม่สมบูรณ์ในเชิงการปฏิบัติพระุทธเจ้าก็ไปเพิ่มเติมเสริมแต่งขึ้นแล้วก็บอกขั้นตอนวาตอนไหนของเก่าตอนไหนของใหม่บอกไว้เสร็จอีกอย่างหนึ่งคือเขาพูดดีใช้ได้ในระดับหนึ่งเพระพุทธเจ้าก็รับลงมาเลย อีกแนวหนึ่งก็คือแนวที่พระองค์ตัดสรูรมันจริงๆซึ่จึงหมายความว่าไม่มีการเปิดเผยชี้แจงแสดงกันในสมัยนั้นการกล่าวร้ายก็หมายถึงว่าการมุ่งที่จะให้เกิดความเสียหายความเสื่อมเสียขึ้นแก่บุคคลอื่นหลักการเผยแพร่พระพุทธศาสนานั้นเราไม่มีลักษณะอย่างนี้คือจะชี้แจงแสดงในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผล เรื่องบางอย่างที่มันมินเมต่อความเสียใจของคนอื่นเนี่ยพระเจ้าไม่เคยพูดไม่ค่อยรับสั่งนะจะมีปริภาชคสองคนแก่บาเพนโคลขวัตกับสุนักขวัตคำว่าโคลขวัตนี่คือเรียนแบบโคหมดทุกอย่างสุนักขวัตก็คือเรียนแบบสุนัขหมดทุกอย่างมาข้าพระพุทธเจ้าขอให้บอกว่าแกบําเพนตะบะอย่างเนี้ยมันมั น, ม น, มนต่อไปมันจะเป็นอะไรบ้างพระเจ้าไม่รับสั่งเราไม่ตอบก็พยาพยามอ้อนวอนขอให้ตอบขอให้ตอบ อ้อนวอนพุทธเจ้าบอกฉันห้ามแล้วนะเนี่ยฉันห้ามแล้วนะเธ อ, อยังอ้อนวอนอีกแกก็ขอพุทธเจ้าก็รับสั่งว้คนที่บําเพ็ญสุนทรกวัตตายไปก็เกิดเป็นสุนทรเพราะอะไรเพราะว่าใจมันยินดีนะะใจยินดีใจผูกพันอยู่ในความเป็นสุนทรมัน ก, ก็เกิดเป็นสุนทรมันไม่ต้องอะไรหรอกนายโกเอ๋นายโกกาลิกอะนโกตุฮาลิกะแกแกแกหิวข้าวมาอย่างแรงนะเดินทางกันดานแล้วอดอาหารมามาถึง ไปพักบ้านนายโคบาลคนหนึ่งก็เห็นไอลูกลูกหมาไอไม่ใช่หมาตัวเมียนะฮะมันมันได้กินอาหารอย่างดีเลยและคนหิวนี่มันมองอาหารวิเศษไปหมดแต่แม่แต่อาหารสุนัขอ่ะโอ้ยสุนัขนี่มันดีกว่าเราซสอีกเราเป็นคนยังไม่มีอาหารกินอย่างนั้นเลยแกหิวมาหลายวันพอเขาเลี้ยงอาหารแกก็กินมากแต่อาศัยว่าใจแกกระวัดแกชื่นชมอาหารที่สุนัขได้กินนะพอตายก็เกิดเป็นข้างในท้องสุนัขได้รอย นี่ใจเสพคุณยินดีในความเป็นสุนัขมันก็ตายเป็นสุนัขไอ้คนโคก็เหมือนกันพระเจ้า ก, ก็ตายรับสารมาตายไปเกิดเป็นโคแต่ว่าไม่ใช่แสดงเฉยๆนะเขาต้องเช้าซีให้แสดงแล้วก็ห้ามแล้วไม่เชื่อพอแสดงแกก็ร้องไห้เสียใจแล้วก็หรือว่าหลงทางผิดมานานในสุดก็โมบวที่จริงก็ข้าทีนะ ประวุไม่เท่าไรบรรลุอรหัตได้ทั้งสองคนนะทั้งทั้งที่เป็นหมาเป็นวัวมาตั้งนานเรียนหมาเรียนวัวมาตั้งนานเพราะทางเดินมันมีะแต่ก็ตัานก็หลงทางคือแสดงว่าท่านไปทําตัวอย่างนั้นได้เนี่ยมันอดทนไม่จะเล่นนะะกินข้าวก็ต้องกินแบบหมานะจะทําอะไรมันเรียนแบบหมาหมดเลยอะก็นึกดูกคนไปเรียนแบบหมาอย่างนั้นมันสะอาดสะกันขนาดไห น, นแต่ท่านหลงทางพื้นคือความอดทนความอะไรความพอใจความยินดีเนี่ยก็สูงพวะนั้นก็เรียกว่า ถ้ากำหนดทิศทางให้เดินที่ดีเข้าไปได้แล้วก็ไม่ทำลายไม่ทำลายเราเจอพบถึงว่าวิธีการของพระพุทธเจ้านั้นจะแม้แต่ไอ้พวกอะไรที่เขาใช้กันอยู่ในสมัยนั้นเช่นยกยกตัวอย่างวิญยันซึ่งเราเรียกว่าราชสังหะห้าประการนะฮะปุริสสะเมทะสมัยนั้นนะเขาฆ่าคนบูชายันถือเป็นหมหายันใหญ่มากสัสเมทะนี่ฆ่ามาฆ่ามาบูชายัญเจนว่าพิธีอัศภเมธ พิธีที่เขาทำล่าเมืองขึ้นต่างๆแล้วก็ปุริสสะเมทะศัสสะเมทะแล้วก็สัมมาปาสะคือตั้งโยนบ่วงแล้วก็ตั้งพิธีบูชาอย่างว่าจะเปยยะแล้วก็มีการฆ่าสัตว์แล้วก็ดื่มดื่มเล่าเนะี่ยแล้วก็นิรักขละทำลายอุปสรรคหมดยันที่แรงพระพุทธเจ้าจะจะเอาคาทั้งหมดมาใช่ไหมบอกไม่ใช่อย่างนั้นหรอก ไอาคำว่าปุริสเมีธานั้นคือฉลาดในการเลือกคนในการใช้คนบรรจุคนให้เหมาะสมสมแก่ตำแหน่งความรู้ความสามารถของเขาสัตสเมธาตุในสัตส า, านี่แ ป, กก ป, ปลว่าม้าก็ได้นะแปลว่าข้ากปลาก็ได้พุทธเจ้าก็แปลว่าฉลาดในการปรุงการเกษตรกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่อนณาปริชาราษฎ ร, าารสมม า, าปาสสแปลว่าบ่วงบ่วงก็คือบ่วงที่คล้องน้าใจคนเน่ยาารักษาน้ำใจคนนั่นก็คือหลักการสังคมสงเคราะห์ เช่นวรัตอาจจะให้เงินเป็นกองทุนแก่ราษฎรเพื่อสงเคราะห์งานอาชีพต่างๆการลงทุนต่างๆโดยมีระยะ ป, ปลอดหนี้ให้เขาสักสปีเพื่อให้เขาตั้งตัวได้แล้วก็ต่อไปก็ผ่อนชำระให้แก่รัฐแล้วก็วาจะเประยะก็คือหลักการประชาสัมพันธ์ที่จะพูดชี้แจงให้แก่ประชาชนเข้าไปให้ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจนิรัคะคือทําลายหมดสิ่งก็หมายความว่าสิ่งอะไรเป็นอุปสรรคขัดขวางการดํารงชีวิตกัน ครองชีวิตของประชาชนก็ให้ขจัดสิ่งเหล่านั้นจนเรียกว่าบ้านเรือนก็อยู่กันได้โดยไม่มีลินสลักภายในบ้านคือไม่ทําลายฮะแต่ว่าอะไรที่มันมันเละๆอยู่ก็ปรับให้มันเข้าแนวเท่านั้นเองคณาจารย์บางพวกเช่นพวกนิคร น, นาทบุตรอันนี้แหละตัวแสบมากเลยสร้างเบียดเบียนพระพุทธเจ้าสารพัดฮนะพอลูกศิษย์ตัวใหญ่ของท่านมานับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายัางขอร้องให้ช่วยเลี้ยงดูนิครนไว้ด้วยปเดี๋ยวก็จะลําบาก ไม่มีคนอุปถากไม่มีคนบํารุงก็ช่วยเลี้ยงดูไปด้วยนี่คือน้ำาระทัยของพระพุทธเจ้าไม่มีการทําลายอะไรและสิ่งที่นั้นก็พยายามให้มันเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาเนี่ยถ้าที่มันมีขึ้นมาพอใช้มันเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นอนุประวาโดอนุประคาโตจึงเป็นหลักมนุษยธรรมเป็นหลักมนุษย์ไม่ใช่เป็นเป็นหลักมนุษยสัรรมพันธ์อ๋ออาจารย์ถามว่าคือนิจเนี่ยจะมีอะไรที่อ๋อที่ อ๋อก็คืนนี้เหรอฮะเอ๊ะยังไงไม่ทราบอ๋อเขาคืนนี้เขาไปนัดมาฆ่ากันนะฮะเาไปทํามาฆ่ากันที่นั่นนะใช่ใช่ฮะใช่เขาไปกันหลายพวกเนี่ยครัไปกันหลายพวกไปนัดกันที่นั่นยังไงไม่ทราบเหมือนกันตอนี้ก็เพิ่งเริ่มกันมากี่ปีมาเนี้ยอะคเอ่อ ทีนี้ต่อไปก็ยังอีกสข้อนะฮะคือก็เป็นหลักการปฏิบัติส่วนตัวส่วนตัวของบุคคลเหล่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือจะเป็นพระหรือจะเป็นคราวา่าหรือจะเป็นใครก็ตามตรงใช้คําว่าปาดิโมเคจะสร้างวิโรคือสรุปว่ามีวินัยในตัวเองพอะง่ายๆพระก็ปฏิบัติตามสิกขาของพระชาวบ้านก็ปฏิบัติตามสีกขาของชาวบ้านแต่ว่าคนเราในฐานะที่จะเป็นผู้สอน ผู้สอนคนอื่นตัวเองก็ต้องวางตัวให้ให้อยู่ในศีลเป็นเบื้องต้นใช้คำว่าปาติโมคเคยะซังวารโรคือสํารวมในประปาติโมะได้แก่เว้นข้อที่สุขห้ามเพราะอะไรที่สงขห้ามก็เวน้นแล้วก็ข้ออะไรที่สรงอนุญาตก็ปฏิบัติตามข้อที่สรงอนุญา ต, ส, ขขญาตส่วนชาวบ้านเองก็มีศีลอะไรที่ที่จะต้องรักษาก็รักษาศีล น, นั้นก็สรุปว่ามีวินัยที่ศึกษาทำเนียบดีแล้ว พูดจำนวนไทยปัจจุบันก็คือมีวินัยในตัวเองหรือควบคุมตัวเองได้ไม่จําเป็นจะต้องไปคอยให้ผู้หลักผู้ใหญ่คอยชี้นิ้วสั่งการหรอให้ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้การปฏิบัติในทางศาสนานั้นเขาเรียกวินยุชนนะฮะคือคนรู้เหตุรู้ผลกันแล้วไม่แต่มานั่งจ้าจี้จ้าชัยชี้นิ้วสั่งนั้นสั่งนี้กันอยู่มันก็ต้องทํากันเองได้เพราะถ้าหากว่าคอยมาจำ้ำจี้จ้ำชัยสั่งการกันก็จบกันเราไม่ก็ไม่รู้จะทํากันยังไงเพราะว่า จะมานั่งคุมกันอยู่ตลอดนั้นเต็นไปไม่ได้แล้วก็ข้อที่4ก็คือมัตตันยูตาจะพัตตสงรู้จักประมาณในพัตตาหารในการบริโภคพัตตาหารนั้นเราจะพบว่าถ้าชั้นของการบําเพ็ญเพียรนะบาเพ็ญเพียรทางกิจและอาหารมากนี้เป็นอันตรายนะเพราะนอกจากมันจะเป็ น, นถีนมิทะคือง่วงนอนแล้วบางทีมันไปจิตบรรสายไปทางกาเมฉันมันจะวิ่งอยู่สองวิ่งนะจะวิ่งอยู่ทางทถีนมิทะกับกาเมฉัน แต่ถ้ามันน้อยเกินไปมันจะออกมาทางอุทธธจกักกุกุจักเพราะงะั้นอาหารจึงต้องมัดตันอยู่คือต้องรู้จักประมาณพอดีมากกว่าก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีแต่ทีนี้พอดีเนี่ยก็พอดีของใครเราก็ไม่รู้เหมือนกันคือมันเป็นเรื่องของแต่ละคนแต่ละคนขนาดไหนที่เรียกว่าพอดีถึงกําหนดลงไปไม่ได้แต่ก็ในชั้นของการปฏิบัติท่าถ้ารับประทานอาหารชั้นปฏิบัติบําเพ็ญเพียรทางจิตจริงๆนะ คือลองดูว่าถ้าอีกสีห้าคำจะอิ่มแล้วก็ให้อิ่มเลยแต่มาสีห้าคำต่อของหวานนะฮะไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าสีห้าคำอาหารแล้วมาต่อของหวานอีกตั้งจานใหญ่ไม่ใช่อย่างนั <c> ้น <oughs> คือสีห้าคำนี่มหมายความมาเสร็จขบวนการบริโภคแล้วก็ดื่มน้ำนะฮะดื่มน้ําเราจะเห็นว่าสบายสบายเลยคล่องตัวตัวเบาแล้วก็มันเป็นเพียงได้นี่เรียกว่ามัตตันยุตตาทรงทรงทงสอนละเอียดมากนะในเรื่อง เรื่องนี้เพราะว่าตัวการสําคัญทงท่านทั้งหลายจะเห็นว่าอศีลบางอย่างเช่นว่าศีลข้ออย่างวันนี้เราเรารับสินแปะสินน้พลมนะสินน้ำพรัมไอศินข้อวิกาเนี่ยมันมาช่วยสีนน้ำพลมเฉยๆไม่ได้บาปอะไรเรากินข้าวบาปอะไรแต่ว่ามันมีส่วนกระตุ้นราคะกับเสริมถินามิทะถ้าเราจะมุ่งบําเพ็ญเพียรมุ่งจะรักษาศีนในชั้นศีนนะฮะมันจะกระตุ้นราคะเพราะศินน้ำพลัมนี้เกี่ยวข้อง เรื่องทางเพศไม่ได้เลยมันผีกรการ์เม่เดี๋ยวต้องไปกินอาหารไปดูเต้นรําขับร้องประคมดนตรีแล้วมันเกิดมันเกิดกระตุ้นมันรักษาศีลมันไม่ได้มันก็เสียศีลในชั้นศีลนะต่มามันก็หนุนกันอย่างเงี้ยฮะก็หนุนกันมาถึงตรงนี้เลยเอามัดตันยูตาจะพาตัสมิงรู้จักประมาณในภัตหาห์ไม่มากก็ไม่น้อยแล้วก็ก็เพื่อให้เกิดผลดีเขาเรียกว่าไอ้ตัดความกังวลห่วงใยอะไรต่างๆก็ปันตันจะศยนาสนัง ยินดีในเสนาสนะสงัดเงียบจากเสียงรบ ก, กวนจากความวุ่นวายสับสนต่างๆนะฮะซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเสนาสนะในลักษณะนี้เราก็หากันได้ง่ายสมัยก่อนสมัยนี้ อ, อ, อยากหาญาติหน่อยสมัยนี้จึงต้องอาศัยพลังทางจิตคือความไม่มาณสิการไม่ใส่ใจอย่าเป็นคนรําคาญอย่าเป็นคนรับอารมณ์เอื้อมอารมณ์อุ้มอารมณ์เก็บอารมณ์แล้วมากรัดรุ่มกับอารมณ์เหล่านั้น ซึ่งถ้าเราลองสังเกตดูให้ดีจะพบว่าจิตของเรานั้นปรับได้เองโดยธรรมชาตินนั้นอย่างนั้นเราอาจจะไปอยู่ที่บ้านริมถนนตอนใหม่ๆอาจจะหนวกหูนอนไม่หลับแต่นานๆข้ามันจะปรับตัวมาเองจะอยู่ได้แต่คนบางคนอย่างเด็กบางคนที่กเกิดริมทางรถไฟเติบโตมาริมทางรถไฟพระข้ามาอยู่ในในนี้กันนอนไม่หลับมันแกล้มขาดอะไรไปไม่รู้ทีนี้เราเราจะเห็นว่าจิตเราส่วนหนึ่งมันจะปรับตัวเองได้โดยอันตโนมัติ แต่ส่วนหนึ่งถ้าเราไปเสริมข้าวมันก็มีพลังในการปรับเพื่อเกิดความสงบสูงขึ้นเตนาสนะไอ้ที่นั่ ง, ท, งที่นอนอันสงัดท่านสมัยก่อนท่านใชาคำว่าสุญยาการสุญยาขาดคือที่มันว่างมันปราศ จ, จากเสียงรบกวนอาจจะไปที่ใดก็ไดเ้เพื่อให้เกิดเป็นอะไรเป็นกายวิเวกคือกายมันสงัดสงัดแล้ว ต่อไปก็เป็นจิตวิเวกคือเป็นข้อสุดท้ายเรียกอธิจิตเตจะอาโยโกโ ก, การประกอบความเพียรในอธิจิตอธิจิตก็คืออะไรก็คือ อ, อธิจิตตสิกขาคือการปฏิบัติสมาธินั่นเองการบําเพ็ญเพียรทางจิตคือการเจริญสมาธิมันก็เดินมาตลอดสายมาถึงชั้นของสมาธิแต่ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าในช่วงตรงนี้ตัวเจ้าก็แสดงแค่อธิจิต ว่าอธิจิตเตยาโยโกประกอบความเพียรโดยเอื้อเฟื้อในอธิจิตแล้วทาไมจะไปบรรลุมรรคผลตรงไหนมันจุดมุ่งมันอยู่ที่สายจิตประโยชน์ดับปัญหาคจิตของเราก็ผ่องแผ้วเมื่อผ่องแผ้วมันก็เป็นแบบเป็นนิพพานเป็นนิพพานแต่ว่าในชั้นของการปฏิบัตินั้นบุคคลจําเป็นจะต้องอาศัยหลักของขันติเป็นฐานที่สําคัญที่สุดเลยเพราะนั่งกรรมาฐานนั้นท่านยั้งหลายจะเห็นว่าเวลาเราปฏิบัติดีแลยพวกขันธมานเองมันก็เล่นแย่เลย ธรรมานมปวดเมื่อยทุกเวทนาต่างๆมันหาเรื่องจะมาเล่นเราซึ่งเราก็ต้องทนมันได้ถ้าว่าอ่อนไหวไปตามในี่สุดเราก็ทวนกระแสความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้ออกไปไม่ได้แล้วก็ในชั้นของการดํารงชีวิตเองเพื่อไม่ให้เพิ่มบาพเพิ่มอกุศล น, นี่นี่ น, นี่พูดถึงชั้นปฏิบัตินะพูดถึงชั้นปฏิบัติเพื่อไม่ให้ก่อบาปอากุศลขึ้นมันก็ต้องเป็นอนุบวาดโดนอุปาคาโต้คือไม่กล่าวร้ายไม่ทําลายนั่นก็คือ สมโนโคติปรังเวทายันโตในข้อที่3ของตอนแรกก็คือไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายกันการไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายกันนั้นก็คืออะไรคือการไม่ทําบาปการไม่ทําบาปแล้เป็นการที่ทํากุศลให้สมบูรณ์ขึ้นภายในจิตธรรมะเหล่านี้ทั้งอุดมการ์หลักการและวิธีการแต่พอปฏิบัติแล้วมันก็มีลักษณะชี้นหนุนกันไปสนับสนุนกันไปก็ส่งต่อกันไปจนถึงกับ มารู้จุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือบรมธรรมหรือบรมสุขจึงเป็นภาษาเป็นถ้อยคําที่รู้สึกว่าอธิบายกันยากเพราะเป็นภาษาใจอย่างที่เคยบอกในวัสมานุสติว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ก็ไม่เชิงอธิบายนะเป็นการพูดในแนวของการปฏิเสธ ว่าดินก็ไม่ใช่น้ำก็ไม่ใช่ลมก็ไม่ใช่อะไรแต่อะไรก็ไม่ใช่โลกนี้ก็ไม่ใช่โลกอื่นก็ไม่ใช่เลยสิ่งนั้นมีอยู่นะภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่นะภิกษุทั้งหลายก็คือนิพพานเป็นภาษาที่ต้องสัมผัสด้วยใจพูดไปเท่าไหร่มันก็ไม่ใคยเข้าใจล่ะฮเพราะฉะนั้นเราจึงมาเถียงนิพพานกันอยู่เรื่อยในเมืองไทยเราเดี๋ยวนี้นิพพานแย่ไปหมดเลยแล้วก็ออกจะเพี้ยนๆไปก็เยอะเหลือเกินนิพพานก็ไปอยู่กันเป็นกระจุกกระจุกกันไปอยู่ที่เรือนแก้วนะไม่น่าจะร้้ออนนนเรืแกวี ติดแอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้เอ่อนิพพานในลักษณะนั้นไม่มนะีไม่มีในลักษณะนั้นแต่เราจะเห็นว่าเนี่ยอย่างสุภาพสตรีที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยฮะคือแกมาในรูปนี้ฮะว่าไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งไปอยู่ในที่เดียวกันไปอยู่ในที่เดียวกันคือพวกนี้มันมันมนมาคนเดียวกันหมดคือว่าคือสรุปว่าแกคงจะอ่านรามเกียรติ์มากไปหรือไงไม่รู้นะก็นิพพานก็กลายเป็นเมืองแก้วไป เป็นที่อยู่ของคนทั้งหลายซึ่งแนวการอธิบายแนวนี้ก็มีมาเรื่อยในเมืองไทยเราเพราะยังไงยังไงคนเราเนี่ยยันจะลืมไอตัวเกิดอวิชชาเนี่ยคืออวิชชากับภาวะตันหานี่แกอิงกันนะฮะบางแห่งเราพุทเจ้าว่าอวิชชาเนี่เป็นปัจจัยเกิดภาะตันหาบางแห่งว่าภาะตันหาเกิดอวิชชาเพราะงั้นอวิชชากับภาะตันหามันก็แยกไม่ได้ภาวะตันหานี่อยู่รากลึกมากเพราวะตันหาก็คือตันหาในภพอ่ะในความมีความเป็นมันอย่างรากลึกกิดเอาละไอไอไปถึงหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งเนี่ย ก็ต้องการจะเกิดสวรรค์มองไปอ้ยไอ้ไอดีกว่าสวรรค์มันก็มี ก, อก็อยากขึ้นไปเลยอยากขึ้นไปเลยอยากขึ้นไปเลยถึงจุดสุดยอดแล้วไอว้ภาวะตัณหามันยังไม่ออกจากใจอะ่ะเลยก็อยากไอ้นิพพานอะ่ะนิพพานก็อยากเหมือนกันแต่อยากมีภพการความการการอธิบายนิพพานในเมืองไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจึงติดอยู่ในภพเรื่อยนะ ติดอยู่ในพบเรื่อยพระสมัยก่อนก็ไปอะไรอมตะมหาคนครเมืองแก้วกล่าวแล้วคืออมตะมหานครหรนิพ่ามันจะลงอย่างนั้นแหะพระเทศสมัยก่อนไปลองดูคำไอ้คำบีเทศโบราณพรเพราะอะไรเพราะตัวพระวตาหานี่มันกระตุน้นกระตุ้นท่านเมื่อสิ่งนั้นท่านเองไม่ได้สัมผัสท่านก็น่าจะดูที่พระพุทธเจ้าท่านรับสั่งเรื่องเอาไว้ว่ามันเป็นอะไรนิพพานพระพุทธเจ้าแสดงไว้ชัดเลยแล้วโดยเฉพาะไม่ใช่เรื่องไกลนะเรื่องปฐมเทศนาแั่นั้น ก็แลยานได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าญานันจะปนาเมทัสนางอุดรปานิอ ก, กุปเมวิมุติความหลุดพ้นทางจิตของเราการหลุดพ้นจากกิเลสของเราเนี่ยไม่กำเริบอามันติมาญาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีการเกิดทุกรูปแบบนะไม่มีการเกิดทุกรูปแบบไม่ว่าใครจะเอารูปพระพุทธเจ้ามันจะถ่ายแจกกันก็ตามไม่มีอะไรอย่างนั้น มันอาจจะเป็นได้นะฮะเป็นเทพนิมิตเป็นอะไรต่ออะไรได้สมัยยุคหลังก็มีเทวดามนิมิตให้พรหมณิมิตให้ท่านท่านที่เคยเห็นพระพุทธเจ้าคือเราอย่าลืมว่าในสมัยสังขารนาครั้งที่สามนะพศออประมาณสามรอยสองร้อยเจ็ดสิบหกเจ็ดสดสมัยนั้นพระอาหารหันต์เต็มไปหมดเลยเยอะแยะตัวที่ร่วมสังขารนาเองท่านก็ยังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าขอให้พระยา ม, มานที่คอยประจนพระพุทธเจ้าเนี่ยวัตสวัตติมาเนี่ยขอให้นิมิตให้ ให้ดูสิพระพุทธเจ้าในรูปร่างลักษณะยังไงท่านนิมิตให้ตอนนี้ไม่ให้พระอราหาันต์ทั้งหลายก้นกอกลับแล้วท่านก็ครูนี่นี่กลับมาเนี่ยกลับมาไม่ไนมะ่ท่านาไม่ได้กลับมาท่านกลับราลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วคนสมัยนี้เก่งกว่าพระอรหันต์สมัยนั้นอีกนะมีรูปพระพุทธเจ้าแจกกันเกลื่อนหมดเลยแล้วอย่าลืมว่าเป็นไปไม่ได้ที่ออกมารูปนั้นแต่ว่าเทวดาถึงท่านเห็นนะท่านนิมิตได้อย่าลืมว่าเทวดาชั้นสมมติว่าเทวดาฉันดาวดึงเนี่ย ตอนนี้ท่านก็มีพระพุทธเจ้าเพิ่งนิพพานสมบัติในชีวิตของท่านก็นมาเท่าไรเราก็สองพันห้มันก็ยี่กว่าวันอะ่ะมันยีกว่าวันสมัสวรรค์ท่านดาวดึงแต่นั้นเองกเทวดาที่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเยอะแล้วท่านได้มีอนุภาพสามารถนิรมิตกายได้เนี่ยก็มีแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาปรากฏนะอย่าไปคิดพระพุทธเจ้ามาปรากฏพระพุทธเจ้ามาปรากฏนั้นคือว่าโลกเชี่ยงนั้นเองคือว่ามีเออเออเอเ อ, เ อ, เอพระเจ้าพระเจ้าอะไรจะอยู่ในที่เดียวกันและ ผลทยมันก็หมุนกล่าวข้าหาแนวความคิดของกลาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่ได้มีนี่คือหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ตั้งแต่ต้นในยพระธรรมเทศนาจะต้องจับหลักเหล่านี้ไปแต่นั้นโอวาทปาติโมกท่านทั้งหลายจึงจะจึงเห็นได้ว่าก็คือหลักของอะไรหลักของศีลสมาธิปัญญาหลักของอะไรหลักของอะไร ม, มักเปองแปดประการเมื่อปฏิบัติไปแล้วมันเป็นมักเปองแปดประการเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นพิสุทธิเจตเป็นอะไรก็ตามที่กุศลและธรรมที่ทรงเรียกะ มันเป็นเองเนะฮะเป็นเองไปข้าวไปขอไปขายแต่อันนี้คือเป็นหลักที่เราเรียกว่าโอวาทปาติโมกคือประวัติที่เป็นหลักเป็นประธานในการประพฤติปฏิบัติสรุปเราสรุปรวมหัวใจพระพุทธศาสนาว่าไม่ทําบาปต้องปรงทํากุศลให้สมบูรณ์ทําจิตได้ phóng แผ้วนี้ก็ถือว่าใจของพุทธศาสนาบางคนเขาเขากับเอาคำที่ท่านว่าเี่ว่าชาตินี้เป็นชาติไทย ก็กลับไปเข้าใจว่าเพราะนั้นชาติหน้าเขาก็กลเลิกเถอะก็นี้ฮะคือคือเราก็พยายามที่จะบิดเบือนกันอยู่เรื่อยๆนะฮะเพราะนั้นไอ้เรื่องชาติหน้านั้นเขาพูดเรื่องเหตุปัจจัยมันกิเลสกรรมวิบากอะไรแต่มันคนละเรื่องกันนะคนละประเด็นกันก็สมมติวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเช่นตอนนี้นะพอดีมาต้องรีบไปไปปาตรกาถาที่